ขอช่วงงานขาวดำสองสามเดือนหลังร้อยวันเขาเรียกว่าขาวดำขาวดำคืออะไรขาวดำคืออะไรรูเหมือนเข้าใจ คือถามวทุกคนเข้าใจโดยครพบรวมมาเข้าใจถามว่าเพื่ออะไรเพื่อเรากถึงเอสมมติว่าไม่ใช่สุนเด็ดมนางเจ้านะ่ะเรายกเว้นแล้วเพื่ออะไรใช่ไหเขาเรียกว่าทำต่อๆกันมาเรื่องประหลาดต่อๆกันมา แราสืบเรื่องเป็นเชื้อเป็นสายต่ำ ม, มาเรเรประเพณีในตอนนั้นแเราเป็นพุทธเป็นศาสน า, าคุณมีปัญญาต้องย้ำอย่างนี้แต่เราไม่เคยใช้ปัญญาเราใช้เชรือศรัทธาือเชื่อ เชื่ออะไรเชื่อตามสัญญาคือความจำสิ่งที่เราจำกันมาจำจากการเรียนการสอนจากการปฏิบัติจากประสบการณ์วันนี้เราจำก็คือสัญญาแล้วก็เกิดศรัทธาคือเชื่ออันนี้คือภาพรวมเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดลัฐที่ก็คือความเชื่อนนะี่แหละ าศาสนาือหลักคาสอนตั้งแต่โบราณกาลมาก็เป็นอย่างนี้บนความเชื่ อ, อ น, นี้ในหลายาศาสนาขาเรียกออบางครับถ้าไม่เชื่อตามอย่างนี้ตายไปตานเดียว น, นี่คือความเป็นมาหากาพนาอันโหดรไรศาสนาของเราไม่มีไม่มีกองทัพไม่มีทาหารแล้วก็ไม่เคยไปสู้รบตบมือกับใครดูบ่เอาศ า, ส, าสนาแต่ละศาสนามีศาสนาไหนที่ไม่สู้รบตบมือกันไม่แต่กันเองอันนี้คือที่ผ่านมา แล้วก็สังเกตวการลุกรางเอาทหารนำหน้ า, าศาสนาตามหลังไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ยุคโบราณกาลมาจนถึงยุ ค, าาายคหลังพูะุทธเจ้าก็อย่างไลลากันสองคนที่น่าสนใจ คือฝั่งเป็นฝรั่งฝ้า่งเป็นเอเชียบ้านเราเป็นบุคคลที่น่าสนใจแลหลายบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักที่ความเชื่อนิเวอปััชญาเกิดหลังพุทธิจารย์นั้นได้ไปเป็นยุคกรีกที่เป็นรเรื่องของฝรั่งกับตัวเรื่องของเรื่องมาก ก็เกิดหลังพระเจ้าไล่ๆกันกับพระเจ้าอโศกมหาราชของพวกเราพระเจ้าโสมาราชก็เป็นนักรบไทยเอเชียก็ได้องอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ฝ่ายกรีกสองทัานนีวามแตกต่างกันนันคือ ที่มาที่ไปแล้วก็จุดจบประจุดสุดท้ายปลายทางหัานมานับถือพุทธกลังจะเล่าว่าทั้งสองท่นานอ่านมาถือพุทธแต่กว่าจะนับถือพุทธานี้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ม, มหาราชก็ฟันฝ่าอุปสรรคโรคต่อมาจนด้จนถึงอินเดียฝ่พาพระเจ้าพระศพมหาราช ที่เรารู้ๆทั่วๆกันเบื้องหลังก่อนจะเป็นอาจรารย์ประสงค์ธรราไม่ได้เชื่ออโศกไม่ชื่อธรรมมาโตเพราะก่อนนน้นนั้นไปอยู่กันแย่งชิงกันครอบครูวใหญ่ครอบครัวปากการปกครองเรื่องจปูพ่อ รพรอรวษาทรง่างเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีลูกหลานเลน้หลู น, ลนเป็นร้อยๆถือพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์เพราะนั้นไม่มีทางเลือกทางอื่นคนสบัตคนที่ขึ้นมึนเป็นกษัตริย์มันมีหลายคนทำยังไงถึงเหลือคนเดียว ก็แปลวอีกประมาณร้100อยร้อยกว่าคนจะต้องตายถ้าไม่ตายตัวเองก็ขึ้นไม่ได้ก็คงไม่เล่าเรื่องความโหดร้ายาำตามที่ใจจริงก็ไม่อยากจะทำเหมือนบ้านเราอุติยาสขโขไทยก็จะขึ้นมาแต่ละคนก็จะเปลี่ยนผ่านแต่ละคนล้วนผ่านการตายทั้งนั้น ตายไม่รู้เท่าไหร่จเจ้าโศกก็เช่นเดียวกันนั้นในใจกับพระองค์ส่วนหนึ่งก็คือรบเพื่อป้องกันตัวเองบุษชางสถานะอีกฝ่ายหนึ่งมาขั ด, ขดแย้งกับความรู้สึกว่าสิ่งที่ได้มาแลกมาด้วยชีวิตเป็นหมื่นเป็นแสน ก็จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้เห็นการพากลูกพรพาพากจากแม่แม่แมระพากจากลูกเราไปรบก็เลยเต็น แ, แม่ไม่ใคยดูแลอย่างนี้เป็นตนอยู่ในใจตลอดสักครั้งหนึ่งก็เจอผู้หญิง ในขณะที่เป็นวัยรุ่นเป็นนางรบตั้งแต่วัยรุ่นเพราะเอานัผู้หญิงนะเป็นครอบครัวชาวพุทธพระเจ้าอโศกในหลังพุทธกาจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็คือสมัยที่เป็นเผยแผ่อาณาจักรอาณจักรพระเจ้าอโศกเนี่ยรุ่งเรืองจนถึงนู่นอับกาบ้านเราสมัยนี้อับกาในฐางะปากีสาน มีพุทรูปเยอะแยะทุกวันนึงกเพระวันนี้พุทธรูปก็ขึ้นก็เพราะวันนี้ยคืออเล็กซานเดอร์มหาราชันอยู่ฝลายฝรั่งมาทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนที่มีคุณอุปการเดี๋ย ว, วแรกมาด้ชีวิตกว่าจะได้อันนี้เราเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าทุกอย่างกว่าจะได้มาล้วนมีการแลกมาทางนั้น ตัวอย่างเศรษฐกชการแควรเราเกิดในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เรียกเป็นหัวเรียวหัวต่อพฟนั้นเกิดแล้วก็อยู่ไม่ได้อยู่บ้านเราไม่ได้ยุคนั้นราชวงศ์ถ้าอยู่ก็คือตายตเป็นโอย้ยเยกคไป อ, อยู่พนันเป็น อยู่มองอไปเาก็ยมงนอกจนจบ้ขากลับมาก็เรียกอเล็กอเ ล, กเล็กมาจนสุดท้ายเก้าสิบสามปีปลายทางของทางการศาปีถ้าพูดคำว่าเลกมาแล้วพวกเราเนะี่ยชีวิตพวกเราเนี่ยเลกอะไรกันมาบ้าง ก็จะอยู่ถึงทุกวันนี้มีลมหายใจทุกวั น, นได้มาหกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่าเราแรกอะไรได้บ้างสิ่งที่เราแรกมาคุ้มไหมในสมัยโบราณที่ยังไม่มีเป็นธนบัตรเป็นเงินเป็นทองวนแลกกันเช่นเบี้ยหอยโลหะ แต่ว่าสิ่งที่แรกมามันต้องใกล้เคียงกันมาถึงมูลค่าท้องสองฝ่ายต้องพอใจวัตถแรกเท่านี้เบียเท่านี้หอยเท่านี้โลหะเท่านี้เช่นซื้อบัวซื้อควายเป็นต้นาย ห, หอยอะไรก่อนก็ต้องแลกวางเอาเป็นแลกเพราะว่าสิ่งที่แรกมาหรือสิ่งที่เราได้มามันต้องคมหรือ ว, ว่าใกล้เคียง แล้วชีวิตพวกเราเราไปแรกอะไรกันมาสิ่งที่แรกมันคุ้ ม, มไหมหรือว่าเราไม่คิดอะไรเลยทำมันเฉยๆเหมือนกับชีวิตใจมาฟรีๆเมื่อไม่กี่วันก่อนดูข่าวเข้าสัมภาษณ์เด็ก ก็ถามว่ามีความคิดยังไงกับคำ ว, ว่ากตัญญูเด็กก็ถามว่ากตัญญูคืออะไรทำไมต้องกตัญญูเาก็บอกว่าคนสัมภาษณ์เขาบอกว่าก็สิ่งที่คุณได้มาเนาี่ยรวนพ่อแม่เป็นคนให้มาเด็กมันถามว่า ถ้าเป็นเป็นความประสงค์ของสองคนไม่เกี่ยวอะไรกับผมเป็นความพอใจของผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งส่วนผมนั้นเป็นผลพอาเด้าไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบอันนี้คือเด็กสมัยใหม่นะ้องพวกเราฟังไว้ด้วยแนวความคิดเขาไม่จะเป็นเพราะเกิดความสรุกสนานของคนสองคน และสิ่งที่ตัวเองได้มาเสื้อผ้าอภรร์ความรู้การศึกษาทั้งหมดนั้นเป็นความรับผิดชอบของเขาเขาต้องรับผิดชอบนี่คือตัวเองทำเด็กสมัยนี้นะเห็นไหมและเป็นที่มาของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเราไปคิดดูเองแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงสัาเด็กแล้วก็บอกเขาก็จะให้ ก็แต่เมื่อเขามีพร้อมถ้าเกคุณมีพร้อมแล้วสมมตินคนสองคนไม้คุณจะเรียกว่าพ่อเรียกแม่ก็ตามมันเกิดตายไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาไม่กี่ยวจ้าผมเรื่องนี้มีตั้งสมัยยุโรปแนวความคิดอย่างมันเกิดจากพวกที่เรียกว่าไม่นับติดศาสนาปูทางองพวกนี้คือไม่มีศาสนา ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความรู้นะเขา ม, มีความรู้แต่ว่าเขาตั้งคําถามแล้วมันไม่มีคําตอบคือตอบไม่ถูกใจนเช่นฝั่งโน้นเขาตือพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทั้งหมดคําถามตามมาสารพัดเอาแล้วทาไมไปสร้างคนพิคนพิการขึ้นมาสร้างขึ้นมาทําไม ถ้าใครจะตาเขาได้ทำไมไม่ทำสร้างมาทีทำไมไม่สร้างอาไสมบูรณ์ไปเลยทำไมต้องไปสร้างแขนขาตาจมูกอยากดีมีจนสร้างออกมาเป็นเสื้อม้าก็จบแล้วก็แสดงว่าเบื้องบนก็ยังบกพร่องอันนี้คือแนวความคิดของเขาก็ตอบไได้แม้แต่พุทธเราเขาบอกว่า เกิดมาเพื่อทําความดีแล้วทําไมต้องเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้ก็ฝ่ายคําถามของเขาพวกที่ไม่จะบอกไม่มีศาสนาก็ไม่ได้คนคนนี้มีความรู้เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ไม่มีคนกีรา้าขึ้นเลยพอตั้งคาถามเสร็จทวนมีเยอะเยอะมากมันจะเยอะธรรมดาเดี๋ยวเราไยุโรป นี่เป็นแนวความคิดอย่างนี้เนี่นก็พาถึงบ้านเราเห็นว่าความไฮนะเห็นอ่ะนี่คือผูเจ้าที่เรียว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเราไม่สามารถปรับความพวกนี้อืเขาไม่เข้าใจหลักเหตุผลแล้วก็ความจริงคือเอาแค่ตักกะคือเหตุผล มาคุยกันแล้วความจริงไม่เครคุยเช่นโลกนี้โลกหน้าคนนี้ก็ไม่เกี่ยวกความเชื่อของคุณที่ไม่ก็มีความเชื่อเพราะว่าพิสูจน์อย่างไรคําถามของเขาถ้าคน พ, พิสูจน์ให้ผมเห็นว่าโลกนี้โลกหน้า มีจริงถึงจะเชื่อคล้ายๆกับว่าเอาวิทยาศาสตร์เป็นตัวจับความถ้าใครไม่มีเหตุผลไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอจะตอบคุณนนี้ไม่ได้องี่กลับมาถามเมืองพวกเราหรือเราถามกลับที่เดิมทำไมต้องไปขาวดำ เราเบื้องตน้นคือสัญญาคือจำอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ความจำใช้ความจำตอบเราไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่วิธีการตอบวิธีการคิดของผู้นี้มันจะกลับมาอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยกลับมาที่เดิมศาสนาของเรานศาสนาของวิญญาณ เราถ้ามองอยมองหนึ่งว่าขาวดําคือสัญลักษณ์ของอะไรความหมายของคนคิดคํานี้คิดขาวหมายถึงเด็กยังขาวยังบริสุทธิ์ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่คือขาวดําคือคนมีอายุคนเติบโตคนมีประสบการณ์จนมองไม่ออกอะไรเป็นอะไร ทั้งมีปัญญาเหมือนกระสีดำพออะไรหยอดลงไปมันไม่เห็นมันจะเปื้อนสะอาดเห็ด น, น้อยอนช้าตรองข้ามกรสีขาวปอะไรหยดลงไปนิดนึงมันก็จะเห็นละว่าสีขาวๆมันเริ่มเปื้อนมันเริ่มด่างเรื่มคร้อยอันนี้คือปริศนาที่เราทำีนี้เราเอาแค่วัตถุเป็นตัวจับ ตัวชี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละพอถอดขาวถอดดาออกก็มองไม่เห็นขาวไม่เห็นดําำนะเต็นนี้ถ้าขาวดํามันอยู่ในใจเราอ่ะแต่มมีสติมันก็มองไม่เห็นนะมันไม่เกิดสติเมื่อสติไม่เกิดปัญญามันก็ไม่เกิดเราก็ได้แต่สัญญาคือความจําได้ไมายรู้ก็เป็นตัวตัดสิน ตัดสินด้วยสัญญาตัดสินด้วยสัญญาแปลว่าอะไรตัดสินด้วยความรู้สึกไม่ได้ตัดสินด้วยเหตุผลและความจริงนี่ข้อแตกต่างมันก็จบกันแค่นี้เขาก็ใช้ชีวิตกันอย่างนี้เพราะนั้นคาว่าขาวดำในทีน่นี้หมายถึงใจเมื่อใจของเราเจอแล้วคน ถ้าใจเราขาวขาวมากาขาวน้อยไปเรื่องหนึง่งผนเชื้อผ้ากับดำ ม, มันจะเป็นอย่างนี้แต่พูดง่ายๆคือบุญกับบาปนี่แหละทีนี้ถามว่าบุญกับบาปมันแยกเด็กแย ก, แยกผู้ใหญ่ไหมมันอาจจะแยกได้ตรงที่ว่าเด็กมันยังทำบาปน้อยเพราะมันเพิ่งเกิดป็นไปได้คนที่เพิ่งเกิดนาน มันก็ทําบุญทําบาปมาเยอะอันนี้คือตักกางแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าคนนั้นก็ความความดืมากกว่าความไม่ดีื้อมีกุศลมากกว่าอกุศลซึ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวชี้วัดไม่ได้นี่คือตักกะแล้วก็สัจจะคือความจริงผมจะเอาแค่พื้นฐานว่าเด็กมันเกิดใหม่มันมันยังไม่ได้ทําบาป สหรับน้อยมันก็ท่าจะใช่แต่ว่าเสมอไปเพราะฉะนั้นฝรั่งฝรั่งเวลาเขาตายอยู่ที่เรามาใช้นี่แนละ้วก็เอาฝรั่งไปใช้ให้ไปอยู่ที่สงบตัวย่อก็ RIP อในนี้ฝรั่งก็ใช้กันทีนี้พวกเราเออกมาใช้กัน ขอมากก็ไปอยู่ที่สงบตรงไหนก็รู้ที่สงบแล้วต่อจู่ไม่สงบแล้วมันจะไปยังไงให้มันสงบประเด็นอยู่ตัวนี้แล้วปรเรื่องฝรั่งเขาไปกับประเดิ๋ยวปอดคําพูดเป็นเรื่องของฝรั่งวางค่าแต่เราก็มาใช้กันโดยไม่รู้ที่มาที่ไปฝรั่งโบราณก็ถือกันอย่างนั้น วันนี้ก็มาเล่าให้ภาพรวมทั่วไปให้พวกเราว่าอืมเกิดตายมันเป็นของคู่กันแต่วเวลาตายเราไม่ค่อยพูดถึงพูดถึงน้อยเกิดก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็เฉลิมฉลองกันฉลองวันเกิดะพูดถึงวันเกิดเพื่อฝากพวกเราไปเชื่อต่อเดือนธันวาคม ยังไม่ขยับเคยืนไปไหนเลยอ่เนื่อก็อเลยว่าพี่ไหนถ้าเราไม่พร้อมเราไม่จัดก็ได้ก็เฉเหนื่อยกันเหนื่อยกับเกิดกับตายนี่เไปชีวิตของมนุษย์เราก็ลำบากกับเกิดกับตายนั่ น, ะนก็ก เ, กกนะเกิดมากับอารมณ์อีกแบบหนึ่งเวลาตายก็อารมณ์ก็อีกแบบหนึ่ง ซึ่งเราก็ไม่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรภคําคำสองคำเนี่ยที่ผู้เจ้าพยายามเคี่ยวเบพวกเราคาว่าเกิดในทางปฏิบัติทางที่เรียกว่าสายเกิดสายดับอย่างนี้ก็มีแมีพระมีพระปฏิบัติอย่างนี้ก็มีแมมมมนวความคิดอย่างนี้สายเกิดสายดับ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเกิดดับนัคืออะไรขันก็ไปให้ความหมายหรือขยายความก็ไดอืองก็ปฏิบัติตามความคิดของตัวเองผัวไงคือตามสัญญาไม่ได้ตามปัญญาคือคิดอย่างนี้คิดว่าให้มันเกิดคิดนี้ให้มันดับเร็วสายเกิดแต่ดับจริงอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นการเกิดและการดับ ทุเรื่องทั้งเป็นรูปธรรมและนมามธรรมพอใครเห็นการเกิดขันดับทั้งที่เป็นรูปธรรมก็ดีนมามธรรมก็ดีจะเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นคืพวมาไปทางการปฏิบัติเดียเ๋ยวอีปััสนาทุกขหมายมาอยู่ที่ว่าผู้แนะผู้นามีความเข้าใจในการเกิดดับมากน้อยขนาดไหน จะอธิบายการเกิดกันดับในมุมมองไหนในมุมมองของตัวเองหรือมุมมองของพระเจ้าก็ฝากไว้ที่หนึ่งว่าขอให้นึกถึงพระผูเจา้าอย่าไปวิปริพียนั ด, ดแปลงขโมยเป็นของตัวเองพระเจ้าพูดมาเป็นพันสองพันปีมาแล้วแต่เวลาคนพูดใหม่ไม่เอามาทั้งหมด พูดครึ่งๆกลางๆพูดนิเๆหน่อยแต่ก็ บ, บอกเป็นของพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องอันตรายแล้วก็ทำต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดในหลายๆเรื่องเกินครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องของการประดิษฐ์บุได้อดเองคือคิดเอาเองคือบางทีทําแล้วอย่างนี้มันได้ผล พยายามจะอธิบายขยายความว่าต้องทําอย่างนี้ถึงจะได้ผลนักเป็นความคิดของตัวเองไม่ใช่ควาคิดของพระเจ้าอยากนั้พวกเราเอาพระเจ้าเป็นหลักพระธรรมเป็นหลักพระสงฆ์เป็นหลักนี่คือหลักจริงๆงั้นเมื่อแต่คนต่างคิดต่างคนต่า ง, างนีง่เหมือนทุกวันเริ่มเป็นละโดยใส่ความคิดเตือนเข้าไปกลายเป็นเส้นเป็นสายไปคณะเป็นหมู่เป็นเรื่องหายนะนี่คือความหายนะ เพราะอะไรเพราะว่าต่อไปก็ไปกลุ่มเป็นก้อนเปนเส้นเป็นสายสายใครสายมันหรือพบุติจาระประธรรมประสงค์แท้จริงนะทําได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่ว่าหลักใหญ่ใจความคือบุติจาระประธรรมภาริยสงเป็นหลักนี่คือหลักนอกนั้นก็รองคือรองลงมาไม่ใช่ยก เราได้เป็นหลักแล้วลืมเอายกรองขึ้นมาเป็นหลักหลักมาเป็นรองการปฏิบัติเราก็ต้องเป็นอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องที่อันตรายก็ฝาก๋เราทุกคนว่าให้ใช้ปัญญาอย่าไปแช่แค่ศรัทธาคือความเชื่ออย่าไปแช่แค่สัญญาคือความจำเพราะความจำของเรามีทั้งดีและไม่ดีต้องยอมรับความเชื่อก็เช่นเดียวกัน มีทั้งชื่อในทาที่ดีตามไม่ไม่ดีแล้วอะไรเป็นตัวตัดสินแล้วก็ปัญญาเนี่ยเป็นตัวตัดสินโดยเพราะสติตั้งสติให้มีสติก่อนนะตามด้วยปัญญาใช้สติปัญญาเป็นตัวตัดสินอย่าไปแช่แค่สัญญาอย่าไปแช่แค่ศรัทธาเป็นตัวตัดสินผู้อย่างจะไม่มีปัญหาพลังกลับมาที่เดิมอีกครั้ง ชีวิตของเราที่ผ่านมาทั้งหมดถือว่ากันแรกกันแล้วอยู่ที่ว่าเราแลกมาทั้งชีวิตอมันคุ้มไหมเพราะไม่กี่ปีข้างหน้าอาจจะเป็นห้าปีสิบปีแล้วแต่อายุอนาะารเราก็จะหมดเวลาแลกเปลี่ยนกันละแต่นี้สิ่งที่เราแลกเปลี่ยนมาทั้งชีวิตอมันคุ้มไหมไอสิ่งที่เราได้รับแล้วผลค้าข า, ขายได้แตกําไรไหม ถ้าไม่ได้กําไรเ ล, เลยก็คือขาดทุนซือเราจะลงทุนมาทั้งชีวิตลงทุนทางกายทางวาจาทางใจทั้งชีวิตมันคุ้มทุนมันเท่าทุนหรือว่ามันกันขาดทุนถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาไม่มีทางที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็ได้แค่สัตยาได้แค่สัญญาแต่ใช้สองตัวเนะี่ถือว่าที่สุด ที่สุดเลยมันไม่ใช่ที่สุดความทุกขมัต้องสติปัญญามันไม่ใช่ศรัทธาแล้วก็สัญญาตามที่เราเข้าใจตามที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้รังกระฟาพวกเราทุกคนเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาสติปัญญานะั้นเกิดจากการฝึกเท่านั้นเกิดจากการฝืนเท่านั้นที่ทจะเข้าใจถ้เราตามอารมณ์ตัวเองไม่มีทางก็คือตามความจำของตัวเองตามความเชื่อของตัวเอง ไม่มีทางกระฟ้าพวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนวนึกเ็าเลยกอาแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติคือนำาปสูก่การปฏิบัติก็จะเกิดสติปัญญาในการดำรงชีวิตพอเราเหลายได้ไดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสติปัญญาเอาแม่เอาแค่สภาและก็สัญญามันก็จะเห็นข้อแตกต่าง สิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง น, นั่นแหละคือแนวทางการปฏิบัติในการดารงชีวิตและขออนุัมนาความดีผู้เราทุกคนด้วยแต่มาทั้งหมดอย่าลืมนึกถึงสิ่งเหล่านี้ละนึกถึงความดีถ้าเป็นสัญญาขอให้เป็นสัญญาที่ดีอย่าไปนึกถึงสัญญาที่มันไม่ดีมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมีแต่ทำร้ายทำลายตัวเราเองและทาร้ายผู้อื่นจากการที่สัญญาไม่ดี แต่เป็นเป็นสัญญาที่ดีมันจะเป็นคุณกับตัวเองและคนต่อผู้อื่นมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างเี้พอให้เราเราลือกคืออนุสตินึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นประจำอยู่เสมอสิ่งอันนี้จะอยู่ในใจแล้วเราจะมั่นใจมั่นคงแน่นนว่าที่เราแรกมาทั้งชีวิตไม่ขาดทุดคือได้กำไรแน่นอน ขออนุโมทนาในกุศลใจตาพวกเราทุกคนอย่าลื ม, มรลึกนึกถึงความดีเราทั้งหมดนี้แล้วอุทิศคือเฉพาะเจาะจงให้แก่บันพุทธทั้งหลายของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายผู้มีบุญทั้งหมดขอท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้แลแกมาด้วยกายด้วยวิจัยด้วยชีวิตตลอดมาทั้งชีวิต ขอ้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เพืะอทั้งหลายได้กระทํามันเป็นทุกครั้งขออนุญาตนา